ท่านพุทธานทั้งหลายสําหรับตอนที่ 1 ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นงานถึงการเกินไปถ้าเป็นเหตุที่มันเป็นปัจจัยบรรดาท่าน เป็นถ่ายคุยง่ายฟังง่ายไม่ต้อง 2532 เป็นวันที่คุยกัน หลังจากนั้นก็จากกันไปนานนั้นก็จากกันไปนานนาน นำรูปหล่อจำลองของท่านเจจตนาวีรผลปัญญา <c oughs> หน้าผิวของเธอก็เป็นผิวไทยแต่งแต่ง ท่านสุวรรณวีระผลเจเจจันทนาเป็นหัวหน้าอะไรชาติ์ <c oughs> หลังจากนั้นก็เหลือแต่เด็กๆกําลังกินข้าวผัดคือเด็ก นางฟ้าจำแลงคนชาวจีนแสดงก็ตามต่างคนต่างก็ดูกันแบบสบายตอนก็กําลังกินข้าว <c oughs> เรเราก็หาความสุขกันต่าง 100 เมตรไปกัน <c oughs> ลานเข้าวิหาร 100 เมตรด้านหน้ายังเป็น 4 เมตร 4 เมตร 8 เมตร 8 m. 8 เมตรเป็น อันนี้หลวงปู่ท่านทําอะไรสมัยก่อนหนูมาเห็นดงหญ้าเขียวชอุ่มแต่เวลานี้กลายเป็นหญ้าคอนกรีตไป อันบ่คิดว่าจะทําสนามหญ้าว่างจะทําสวนดอกไม้บ้างเมื่อต่อมาผลปรากฏว่าเวลาน้ําท่วมลงมาก็ดีฝนตกน้ํามากก็ดีน้ําขังรถราไม่สามารถจะวิ่งในสนามนี้ได้ในลาน แต่แล้ววันนี้วัดต้องต่างๆค่าน้ําบ้างค่าไฟบ้างเป็นต้นเป็นอันว่าวัดต้องใช้แต่เงินที่วัดใช้ก็เป็นเงินที่บรรดาท่านพลบริษัทบําเพ็ญกุศลมาถ้าจะเงินบํา แต่ว่าสถานที่อื่นอาจจะเหมาะสมก็ การบํารุงรักษาก็ต้องเสียทุกวันถึงคิด จุดแบ่งๆนั้น 8 ม. 1 ต้น 8 1 ต้นขนาบณป่อ ก็ 8 เมตร 1 ต้น 8 เมตร 1 จุด 1 จุดจุด 2 ต้น 3 ต้นก็ได้ 100 เมตรเอ่อพระธัมมนิสสวิหาร 100 2 ข้าง 8 เมตร 8 เมตรเหมือน เป็นที่น่าเป็นสุขณคนที่พรรคจุลัยก็ถามว่าหนูถามนิดเดียวพระอธิบายที่ยาวพระก็เลยพอก็บอกว่าถ้าอธิบายยาวหนูก็ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าแค่นี้ถึงไม่ยาวขนาดนี้หนูอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จุลัยก็บอก ปติสถานพระชำระนิสงพระชำระ 64 องค์แต่อาคารของท่านมีซุ้ม 30 ซุ้มจุลัย ทางหมด 4-5 คนทุกจุดทุกห้องแสดงว่าซุ้ม คือรูปพระบาทสมเด็จเทวานี้หัว 9 ราย 6 ราย 5 ราย 1 เลยก็ถามว่าจะสร้างไว้ทําไมคุณป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักหลวงปู่ได้สร้างไว้ แต่ก็ 4 วันเฉลิมมโหทนศาลราชการที่ 9 เด็กๆแต่เพียงจะตามปฏิต้องไปรวมกันนมัสการที่นู่นสไหว้พวงมาลัยที่นี่ก็ลําบากจัดไว้สถานที่นี้เลยโดยเฉพาะอย่างเรื่องราชการที่เด 9 ทํา คุณป้าก็บอกว่าหลวงปู่ทํามาหลายจุดแล้วเฉพาะจุดนี้ถวายเป็นกรณีพิเศษถวายทั้งวิหาร 100 เมตร พระจำระนี่ส่งเหมือนอะไรน้องปู่จะปิดทองหล่มป้าน้อยก็บอก 64 องค์เนี่ยหลานรักเร่งเท่าไหร่มันก็ไปไปเร็วไม่ได้ถ้าเสร็จแล้วเหมือนอะไรจะปิด การ 12 ไร่ดูมันว่าจะเป็นห่มผ้าๆนะลูกนะ 3,000 พันอะไรก็ 50,000 บาท ผู้จ๋าผู้เอ่อขอโทษไม่ได้ 3,000 แผ่นอาจจะเป็นหมื่นแผ่นเป็นเป็นหมื่นแผ่นนะเพราะองค์ใหญ่มากเท่าแผ่นด้วยคือถึงเค้าถามว่าเงินที่เค้าทําบุญมา 50,000 บาทพอมั้ยคุณป้าน้อยก็บอกว่าสําหรับหลวงปู่ของหลานพอทุกอย่างให้มาเท่าไหร่ก็ คำว่าขาดทุนไม่มีถ้าให้ แม่แต่ 1 ตาตารางนี้ว่ายังไม่มีเจ้าของเธอก็บอกว่าโอ้โหเป็นร้อยๆห้องเลย แล้วก็ถามคุณป้าพระจำระนี่สงฆ์ก็ดีที่ พระป้าก็ตอบแบบนัก หรือว่าจะทํา คนหลายก็แสนจะดี เป็นแต่เพียงหลวงปู่ท่านพูดมันหลายเรื่องป้าก็จําได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> อ่อนคล้ายๆกับพร้อมหนุ่มผ้าเตี่ยวถือกระบองคนอันรูปร่างใหญ่ตัวมากผิวก็ไม่ขาว ถ้าเป็นนักเกรงด้วยก็ต้องโตด้วยเพราะตัวก็ ในไหลนั้นชื่อว่าปิยะยาวีแต่อนที่เดินตามมาข้างหลังละ กำลังคุยเรื่องอนิสงส์สร้างพระพุทธรูปก็คนสร้างพระพุทธรูปขนาดเล็กก็ตามขนาดใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้คุยกันถึงเรื่องพระ <c oughs> แล้วบางคนมีสตางค์ไม่พอถ้ามาร่วมทําธรรมก็ดีหรือว่าไม่ร่วมทําแต่สร้างพระองค์เล็ก หนูอยากจะถามลุงทั้งสองว่า กลุณก็บอกว่าเรื่องตอบเป็นของไม่ยากหลานรักก็ตอบได้ทันทีว่าคนที่ทําบุญอย่างนี้แล้วก็คือสร้างพระพุทธรูปถวายไว้ในไว้ในพุทธศาสนาเมื่อสร้างพระภายนอกแล้วคือนอกกายเข้าใจคือ ก็นึกถึงพระพุทธรูปนั้นก็ดีนึกถึงผ้าเหลืองหรือผ้าไตรก็ดีนึกถึงของ ภาพที่สร้างพระจัมระนี่สงรูปร่างลักษณะเป็นยังไงนึกนิดนึงสัก 2-3 นาทีสัก 1 นาทีก็พอนึกด้วยความเคารพแล้วก็ประการที่ 2 เมื่อตื่นใหม่ หรือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้กับวัดหรือว่าสร้าง จุลัยก็บอกไม่ได้หลวงปู่พรทิพูดไปพูดมาถึงเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนิดๆหน่อยชวนโหดจนลืมไปเลยก็อยากจะทราบแก่คุณลุงคุณ เพราะว่าเป็นพราหมณ์พ่อเป็นครูสอนของพราหมณ์เขาไม่เคยไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยใส่บาตรไม่เคย ไอ้นึกว่าคนคือพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมมีเมตตาสูงทรง มีวิมาน 1,000 เป็นบริวารต่อมาได้พบพระ พระติโบรานก็มีว่า 10 ปากว่าไม่เท่า เอานี้ก็แลกันคนลุงเจ้าคะมู้อยากจะพบท่านมัททกุณฑลีเทพบุตรเวลานี้ท่านอยู่หรือท่านไปไหนหรือท่านนิพพานไปแล้วท่านลุง ศาสตพินยู่ว่าเวลานี้ท่านเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับเทวโลกจุลัย วัญวัญคงคงพระสิ้นเดือนน้ํา มองดูเวลาแล้วเห็นว่าตะวันลุกรุ่งเต็มที จะผ้าก่อนนิดเดียวทําไมเทวดาชอบนุ่งผ้าคุณลุงคุณไม่เกี่ยวกับมนุษย์แต่ว่าถ้าหลานต้องไปต้องการให้หลวงพราไปสอนชั้นดาวดินสติภพโลก เวลานี้ก็ไปหาเทวดาผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระอริยะเจ้าลุงก็ต้องเล่าให้แหลมเปียก เห็นเทวดาเป็นลิงอย่างนั้นหรือจุลัยพูดกันแบบ เร็วพราหมณ์สวยสดสวยงามมากครุลุงไประดึกเค้าต้องแต่งตัวกันแบบนี้ไอ้เครื่องแบบนั้นได้ผ้าเตี่ยว เมื่อเวลาทํางานในการดาย่ฟันฟืนพันดิน ก็ถามว่าทําไมการแต่งตัวถึงลงจะเร็วเกิดเร็วนักท่านทั้งสองก็บอกว่าลุงน่ะไม่ได้แต่งตัวด้วยมือลุงแต่งตัวตามความรู้สึกพอนึกว่า คำว่าอติพๆคือไม่ต้องตั้งความอติพก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏตาม ปลานี้มีหนังมี เอาลุงดีกว่าลุงพร้อมแล้วจุไรก็บอกว่าถ้า เป็นถึง 3 อัพทุกคนเคลื่อนแจกกายทันทีมีกายเป็นทิพย์ทุกคนก็พราวพราประยับ หลังจากนั้นขออนุญาตท่านปู่